วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา พอทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต จ, จิตใจเพื่อให้จิตใ จ, จมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งปวงสิ่งที่ศาสนานำมาสอนมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกและพุทธศาสนิกชนนั้นก็คือความจริง ที่เป็นสากลความจริงที่เป็นอมตะคือเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความจริงนี้มีอยู่สองประการด้วยกันหรือสองกฎด้วยกันประการแรกเรียกว่ากฎแห่งกรรมประการที่สองเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา ความจริงทั้งสองปรรกานี้เป็นความจริงที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นกฎที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ไม่ต้องมีการมาแก้มาเปลี่ย น, ม า, นมาเพิ่มมาตัดเพราะเป็นความจริงเป็นกฎที่ไม่ใครไม่มีใครสามารถมาแก้มาเปลี่ยนมาตัดมาต่อได้เป็นความจริงทางธรรมชาติ เป็นความจริงของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันเพียงแต่ความหลงความมืดบอดของจิตใจของพวกเราทำให้เราไม่ได้มองเห็นว่าเรา n ี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราคิดว่าเราเป็นสิ่งที่แยกออกจากธรรมชาติแต่ความจริงแล้ว ใจของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่ดึกนํำบรรมีมาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดแต่ใจของพวกเราที่อยู่กันนี้เราอยู่กันด้วยความทุกข์กันเพราะเรา ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของความจริงของกฎสองกฎนี้นั่นเองคือกฎแห่งกรรมและกฎของใจรักถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องกฎของใจรักแล้วเราจะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้จะไม่ต้องมีความทุกข์ ในใจของพวกเราอีกต่อไปเหตุที่พวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่เพราะเรายังมองไม่เห็นความจริงของกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์นี่เราจรึงจำเป็นที่จะต้องเข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่จะสอนให้เราเห็นความจริงของกฎแห่งกรรม และเห็นความจริงของกฎใจล่ะนี่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรลยสงสารโลกทุกๆพระองค์ทุกลูกนี่มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันคำว่าดวงตาเห็นธรรมก็เห็นกฎทั้งสองกฎนี่เองเห็นกฎแห่งกรรมและเห็นกฎของใจละเมื่อท่านเห็นกฎแห่งกรรมเห็นกฎของใจละ ท่านเห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ภายในใจของท่านท่านก็ละเหตุนั้นเท่านั้นเองเมื่อท่านละเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของท่านได้ใจของท่านก็จะไม่ทุกข์ติดต่อไปนี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาสรุปอยู่ง่ายๆอยู่ที่กฎทางธรรมชาติสองกฎนี้เท่านั้น คือกฎแห่งกรรมและกฎของตายรักถ้าผู้ใดสามารถสอนให้ใจให้เห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของกฎแห่งกรรมและในเรื่องของกฎของตายรักแล้วรับรองได้ว่าใจดวงนั้นจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจดวงนั้นจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย ไปตลอดอนันตการเพราะใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันตายแต่ใจที่ไม่มีไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีความรู้เรื่องกฎของตายรักนี้เป็นใจที่อยู่กับความทุกข์ไปตลอดอนันตการ mm hmm. เช่นเดียวกันและการที่จะ <c oughs> ทําให้ใจนี้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้รู้เรื่องของกฎแห่งตายรักได้นี้ ก็ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบนั่นเองมีคนคนเดียวเท่านั้นในโลกที่มีดวงวิญญาณมีสัตว์โลกอยู่เป็นจํานว น, นนับไม่ถ้วนนี้นานๆจะมีสักดวงหนึ่งมีสักคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถมองทะลุม่านบางตาม่านบางใจคือโมหะอวิชชา ที่ทำให้มองไม่เห็นกฎทั้งสองกฎนี้นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาได้สักหนึ่งคนหนึ่งรูปแล้วถ้ามีบุคคลหลังอย่างนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วแลวถ้าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำเอากฎแห่งกรรมและกฎของตายรักนี้ มาแสดงมาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็จะสามารถที่จะก้าวเข้าถึงความจริงของกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักได้แต่ถ้าท่านไม่มีความสามารถหรือท่านอาจจะพิจารณาด้วยปัญญาว่าบุคคลที่จะมารับความรู้อันนี้ยังไม่มีความสามารถเพียงพอ ที่จะมองทะลุม่านแห่งความหลงม่านแห่งความอาวิชชาได้ท่านก็จะไม่นำความรูน้นี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้นี่คือลักษณะของบุคคลที่ได้ค้นพบกฎทั้งสองกฎนี้ที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้านี้เองพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกัน พระพุทธเจ้าที่หลังจากที่ได้ทรงตัดสรุกดทั้งสองกฎนี้แล้วหลังจากพิจารณาด้วยปัญญาอย่างรอบคอบก็ทรงเห็นว่าบุคคลที่จะมารับความรู้จากท่านได้นี้ไม่มีหาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จะไม่สั่งสอนไม่เอาความรู้อันนี้มาเผยแพร่ พราะสั่งสอนไปก็จะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครนำเอาไปปฏิบัตินั่นเองพระพุทธเจ้าที่ตัดสั้แล้วไม่เผยแผ่สั่งสอนทำที่พระองค์ได้ทรงตัดสั้เราก็เรียกว่าพระประเจกับพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าที่หลังจากได้ตัดสั้แล้วและได้พิจารณาอย่างรอบคอบก็ทรงเห็นว่า ยังพอที่จะมีบุคคลที่จะสามารถน้อมนำาเอาคำสอนไปปฏิบัติไปศึกษาไปทำให้ใจที่มืดบอดด้วยโมหะอวิชานี้สว่างสวายขึ้นมาด้วยแสงแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็ตัดสินพรทไทที่จะประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลก ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะที่ได้ส่งคนพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนเราก็เรียกท่านว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระองค์ที่เรากำลังคารพบนับถือบูชากรา่าวไหวศึกษาและปฏิบัติจากท่านอยู่ในขณะนี้นั่นเองก็คือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่หลังจากได้ทรงตัดสัตวธรรมมันประเสริฐแล้วก็ประกาศพระธรรมมันประเสริฐนี้ให้แก่สัตว์โลกด้วยปัญญาที่ฉลาดที่รู้จักเลือกสอนคนเป็นเป็นลำดับความสาคัญมากน้อยสอนคนที่รู้ง่ายก่อนแล้วค่อยไปสอนคนที่รู้ยากตามลำดับต่อไปแล้วก็อาศัยพวกที่ได้เรียนรู้แล้วนี้ มาเป็นกำลังช่วยเผยแผ่คำสอนให้แก่ผู้นีกทหนึ่งด้วยศาสนาพุทธจึงก้าวหน้าเจรานุ่งเรืองมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้หน้าที่ของศาสนาพุทธนี้ก็มีหน้าที่อยู่หน้าที่เดียวนี่คือการนำเอาความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ คือมาเผยแผ่เรื่องของกฎแห่งกรรมและเรื่องของกฎของใจ ร, รักนี้เท่านั้นเองศาสนานี้มีหน้าที่เพียงเท่านี้เพราะเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดและเกิดประโยชน์ที่มากที่สุดและสูงสุดคือจะทําให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ต่างกับ ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มีองค์กรการศึกษานำมามาเผยแผ่สั่งสอนนี้ล้วนเป็นความรู้ที่ไม่ครบสมบูรณ์ล้วนเป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี้ให้หมดสิ้นไปได้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพียง ทางเดียวเท่านั้นที่จะสอนให้ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติตามนี้ได้หลุดพ้นจากวามทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือและ <c oughs> ศึกษาปฏิบัติตามขอให้เราอย่าหลงประเด็นในเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติ ว่าเป้าหมายที่แท้จริงนี้คือการให้เข้าถึงกฎทั้งสองกฎนี้นั่นเองคือให้เข้าถึงกฎของใจรักและเข้ากฎถึงกฎแห่งกรรมให้ได้พอถ้าเราเข้าถึงแล้วเราจะรู้ต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราและเราจะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มี่ในใจของพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบและก็ไม่ต้องลังเลสงสัยว่าทําได้จริงหรือไม่เพราะเรามีผู้รับประกันคุณภาพคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยทีเดียวครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์ก็ได้ สอนให้พระปัญจวคีบรรลุเข้าถึงกฎแห่งกรรมและกฎของตายลักนี้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทำให้พระปัญจวคีทั้งห้านี้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกและก็เป็นผู้ที่รับประกันคุณภาพ ค, ความความจริงของคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันตสาวกรูปใด ที่ออกมาคัดค้านว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านํามาสอนคือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกฎของใจรักณนี้ไม่มีไม่ใช่เป็นความจริงไม่มีใครสักรูปเดียวที่จะพูดแบบนี้เลยมีแต่จะมารับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกรูปเลยว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นของจริงกฎของใจรักษณนี้เป็นของจริง ผู้ใดถ้าไม่เข้าใจไม่ศึกษาก็จะไม่รู้เรื่องของความจริงทั้งสองประการนี้ก็จะต้องตกอยู่ในกองทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าผู้ใดได้ศึกษาได้รู้ได้เข้าใจถึงกฎของแห่งกรรมและกฎของตายรักแล้วผู้นั้นจะไม่มีวันที่จะต้องทุกข์อีกต่อไประยะ คำสอนงพะเจ้านี้จึงมีการรับประกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเพียงแสดงธรรมครั้งสองครั้งเท่านั้นเองก็สร้างพระอรหันต์ขึ้นมาได้เป็นจานวนถึงห้ารูปแล้วหลังจากนั้นทรงสอนทรงแสดงธรรมไปให้กับผู้ที่พร้อมที่จะมีดวงตาเห็นธรรมภายในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกนี้ก็สามารถผลิตผู้ที่จะมารับรองความจริงของ ความรู้ที่พระเจ้านำมาเผยแผ่ได้ถึงอย่างน้อยก็1250รูปด้วยกันคือในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาก็จะมีพระอหรหันตสาวก1250ัสรรูปที่ได้ศึกษาได้เรียนจากพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอหรหันตสาวกแล้ว ได้มารวมตัวกันมาเฝ้าพุทธเจ้าจากทุกสารทิศโดยไม่มีการนัดหมายไว้ก่อนอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากฎแห่งกรรมและกฎของไต ร, รักนี้เป็นความจริงเป็นความจริงที่มีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ถ้ามีผู้สอนวิธีให้เข้าถึงว่าให้เข้าถึงอย่างไร นี่คือเรื่องที่เราชาวพุทธควรจะพุ่งเป้าหมายไปเป้าหมายของพวกเราในการที่เรามานับถือศาสนาพุทธนี้ก็เพื่อที่จะมาศึกษามาเรียนรู้ขอให้เราเข้าใจว่าศาสนาพุทธนี้เป็นเหมือนสถาบันการศึกษาเหมือนจุฬาเหมือนธรรมศาสตร์เหมือนมหิดลไม่ได้ไปเป็นที่ที่ให้เราไปทำพิธีกรรมต่าง เป็นที่ให้เราไปศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้จบปริญญากันนั่นเองสถาบันการศึกษานี้เขาไม่มีพิธีกรรมอะไรถ้ามีก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหองคอเจนพิธีรับน้องรับน้องใหม่พิธีไหว้ครูอะไรทำนองนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อหนังมังสาของสถาบันการศึกษา เนื้อหนังมังสาของการศึกษาของสถาบันการศึกษาก็คือการเรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆแล้วก็ทําการบ้านแล้วก็ทําข้อสอบให้ผ่านไปให้ผ่านข้อสอบให้ได้ถ้าทําข้อสอบต่างๆให้ผ่านไปได้หมดก็จะได้รับการรับรองด้วยการมอบปริญญาบัตรให้ว่าผู้ที่ศึกษาในสถาบันนี้ได้เรียนรู้ความรู้ต่างๆ ที่สถาบันนี้ได้มอบหมายให้ไว้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพร้อมที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไปนะเพราะแล้วพวกเราต้องเข้าใจว่าศาสนาพูดเรานี้คืออย่างนี้คือเป็นสถาบันการศึกษาเหมือนจุลาธรรมศาสตร์แต่ของเรานี้ต่างกันอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่มีตำราต้องเรียนมากเราเพียงแต่ฟังเทศฟังธรรมนี้ ก็พอเพียงที่สามารถที่จะนำเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาได้มไม่มีตำรามากความรู้ที่ต้องเรียนรู้นี้ไม่มากมไม่ ม, มีไม่มีวิชามากมายมีเพียงสองวิชาหลักก็คือกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์นี้เท่านั<ม>้นถ้าเรา ศึกษากฎทั้งสองกฎนี้แล้วทำข้อสอบของกฎทั้งสองกฎนี้ให้ผ่านไปได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปลืองได้นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะทําทความเข้าใจอย่าไปหลงติดกับพิธีกรรมอะไรต่างๆที่มีแทรกแซงเข้ามาในาศาสนาทุกวันนี้จนใบกลบสาระความเป็นจริงของ ของของศาสนาคือการเรียนรู้กายเป็นสถาบันที่มีแต่พิธีกรรมต่างๆมีแต่การทำพิธีอย่างนั้นพิธีอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำม า, มาเผยแผ่สั่งสอนเลยแต่เนื่องจากขาดความสนใจ ที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจึงเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมาแล้วก็นำเข้ามาใช้ในพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นเนื้อหนังมังสาของศาสนาไปโดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือทรงมอบให้พวกเราทำกัน คือหน้าที่ของชาวพุทธนี้ก็มีอยู่สองหน้าที่นั่นเองคือสองธุระ<ม>เรียกว่าคันธะธุระและวิปัสสนาธุระ<ม>คันธะธุระก็คือให้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องกฎของไตรลักษณ์นี้เมื่อศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติกับจิตใจของตนเองปฏิบัติให้จิตใจนี้ ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติอยู่ถ้าสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็ถือว่าเรียนจบสถาบันนี้ไม่มีการรับรองจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ ว่าได้เรียนจบแล้วมีปริญญาบัตรมอบไว้ให้แล้วเป็นหลักฐานสถาบันนี้มีใจเป็นผู้รับรองการปฏิบัติของตนเองที่เราเรียกว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหรือยังหรือยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่อันนี้ไม่จึงไม่มีการมอบ ป, ประกาศนียบัตรกัน เวลาที่มีคนนั้นคนนี้บรรลุปเป็นพระอารหรนันต์นี้ไม่มีพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่พระอารหรันต์นะพระอารหันต์นี้ก็ไม่มีไปไม่มีใครมาขอรับปริญญาบัตรไม่มีใครมาขอการรับรองจากพระรูปนั้นพระรูปนี้ว่าตนเองได้บรรลุปเป็นพระอารหันต์เรือยังเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารนี่ เวลารับประทานอาหารอิ่มแล้วไม่ต้องไปถามคนอื่นให้เขามารับประกันรับรองว่าคุณได้รับประทานอาหารอิ่มแล้วคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วนี้จะรู้อยู่ในตัวของตัวเองไม่ต้องไปถามคนนั้นคนนี้ว่าเออเราอิ่มหรือยังหรือเรายังไม่อิ่มอันนี้ก็เหมือนกันการเรียนการศึกษาการปฏิบัติเนี่ยที่เป็นทุระสองทุระในพระพุทธศาสนานี้ เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัตินี้จะต้องรู้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนขั้นศึกษาก็ต้องรู้ว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมหรือยังเข้าใจเรื่องกฎของใตรักหรือยังเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้หรือยังถ้าปฏิบัติได้ความทุกข์หมดไปจากใจหรือยังอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติ น, ตนี้สามารถสอบตนเองได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้คนนั้นคนนี้เข้ามาสอบเราเรานี่แหละเป็นผู้สอบตัวเราเองเราเป็นคนทำข้อสอบเองแล้วเราเป็นคนตรวจข้อสอบเองได้เพราะเราโกหกเราหลอกตัวเราเองไม่ได้แล้วเวลาไปทำข้อสอบที่อื่นถ้าเขาปล่อยให้เราทำกันเองแล้วสอบตรวจข้อสอบกันเองก็รับประกันได้ว่าโกงกันแน่ๆเพราะเวลาโกงนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราโกงหรือเปล่า แต่คนโกงนี้จะไม่รู้หรือว่าตัวเองกำลังโกงอยู่ถ้าเขาให้ทำข้อสอบเองเสร็จแล้วก็ให้ตรวจข้อสอบสอบแล้วตรวจแล้วถ้าผิดก็แก้ข้อสอบถ้าอย่างนี้ก็เป็นการโกหกตัวเองรู้อยู่กระใจว่าตัวเองยังสอบไม่ได้แต่ก็ไปแก้ข้อสอบให้ทำให้ตนเองสอบได้อาจจะโกหกคนอื่นได้ หลอกลวงคนอื่นได้แต่หลอกลวงตนเองไม่ได้โกหกตัวเองไม่ได้สุขทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานี้มันหลอกตัวเองไม่ได้ว่าตอนนี้ไม่มีความทุกข์ตอนนี้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอันนี้หลอกตัวเองไม่ได้มันเป็นของที่มันปรากฏขึ้นอยู่ในใจของเราถ้ามันไม่มันก็ไม่มีถ้ามันมีมันก็มี นี่คือเรื่องของการศึกษาของการปฏิบัติในทางศาสนาต้องสอบตนเองสอนตนเองคือเรียนรู้จากผู้ที่รู้ก่อนเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็เอามาสอนตัวเองต่อมาทำการบ้านเพราะการเรียนรู้นี้เป็นการจุดเริ่มต้นท่นเองจุดประกาศของความรู้เรารับความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของกฎตายักมาแล้ว แต่เรายังอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาขยายผลมาเจริญอย่างต่อเนื่องมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องแล้วจนกว่าเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราก็นำเอามาทดสอบกับจิตใจของเราหรือว่าเราสามารถใช้กฎแห่งกรรมและใช้กฎของตายรักนี้มาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้หรือไม่ถ้าเราสามารถใช้กฎแห่งกรรม ใช้กฎของตายรักนี้มาหยุดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้ก็แสดงว่าเราสอบผ่านแต่การสอบผ่านนี้มันก็มีหลายระดับด้วยกันเพราะความทุกข์ของใจนี้มันก็มีหลายระดับเราก็อาจจะสอบผ่านเป็นขั้นๆไปทุกเรื่องนี้เราสอบผ่านแล้วแต่เรายังติดอยู่กับทุกเรื่องนั้นอยู่เราก็ต้องทาการบ้านต่อไปแล้วก็ทดสอบทาข้อสอบต่อไป จนกว่าเราจะผ่านผ่านแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านไม่ต้องไปถามใครแล้วก็หลอกตัวเองไม่ได้ว่าเราผ่านแล้วนี่คือธุระในทางพุทธศาสนามีอยู่สองธุระ<ม>คันธะธุระศึกษาศึกษาสองเรื่องนี้เท่านะั้เรื่องของกฎแห่งกรรมและเรื่องของกฎของตายลักแล้ว<ม>ก็นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัตินี้ ก็อาจจะต้องมีเครื่องมือที่มาใช้ในการปฏิบัติกฎทั้งสองกฎนี้ก็เครื่องมือที่เราจำเป็นจะต้องใช้ก็มีอยู่สามก็คือศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือที่เราจะต้องเจริญต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอามาใช้กับการปฏิบัติกฎแห่งกรรมและกฎของตายรักได้ ถ้าเราขาดเครื่องมือคือสีงสมาธิและปัญญา<ม>เราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงกฎแห่งกรรมเข้าถึงกฎแห่งของตายรักได้อย่างสมบูรณ์<ม>เราจึงมีหน้าที่หลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรกฎของตายรักเป็นอย่างไรเราก็ต้องสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะได้นำมาใช้กับการ ปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจของเราเนั้นสิ่งที่แรกที่เราควรจะศึกษากันก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคืออะไรคือการกระทาการกระทาใครเป็นผู้กระทากฎแห่งกรรมนี้มีผู้กระทาผู้กระทาคือใจ ในเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้เราพูดถึงเรื่องการกระทําผู้กระทําก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือไม่ได้เป็นผู้กระทําเป็นเครื่องมือต้องเข้าใจว่าผู้กระทํากับเครื่องมือนี้คนละเรื่องกันเช่นคนที่ใช้ปืนไปยิงคนตายเนี้เครื่องมือคืออะไรก็คือปืน แต่คนที่ใช้ปืนนี่แหละเป็นคนกระทำและเวลาเขาจับคนจับผู้กระทำไปลงโทษเขาไม่จับปืนเครื่องมือไปลงโทษเขาจับคนที่ใช้ปืนไปฆ่าผู้อื่นนีไปลงโทษอย่างใดกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันกฎแห่งกรรมนี้ไม่ลงโทษร่างกายไม่ให้คุณให้โทษกับร่างกายแต่ให้คุณให้โทษกับผู้กระทำคือใจ คุณและโทษที่เกิดจากการกระทาของใจคืออะไรคุณก็คือความสุขนี่ความระความไม่มีทุกข์ส่วนโทษก็คือความทุกข์การทการกระทาของใจนี้ก็จะมีอยู่สามลักษณะด้วยกันเรียกว่าทำดีทำาชั่วแล้วก็ทำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วทำดี ผลที่เกิดขึ้นที่ใจคืออะไรก็คือความสุขใจทำาชั่วคือทำบาป ท, ทำไม่ดีผลที่เกิดขึ้นกับใจก็คือความทุกข์ใจส่วนทำที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่เชั่วผลที่เกิดขึ้นกับใจก็คือกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะทุกวันนี้แม้แต่ชาวพุทธเรายังคว้ยเขวกันยังไม่คิดว่า ผลของกฎแห่งกรรมนี้อยู่ที่ความเจริญหรือเสื่อมของร่างกายหรือของลาบยศสารเสริญสุขกันคิดว่าถ้าทําความดีแล้วจะต้องเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสารเสริญด้วยความสุขต่างๆถ้าทําความชั่วแล้วจะต้องเสื่อมจากลาบยศสารเสริญสุขแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนก็เห็นกันอยู่ถึงกับคนที่บน่นกันก็มีว่าทําดีไม่ได้ดี ทำชั่วทำช่ได้ดิบได้ดีมีถมไปนั่นแหละพอไปมองผลของการทำความดีความชั่วผิดที่ไปมองที่ลาบยศสารเสริญสุขกันไปมองที่ร่างกายคนทำาชั่วกับไม่ต้องติดคุกติดตารางก็มีคนทำดีกับไปติดคุกติดตารางก็มีเพราะถูกเข า, เาใส่ความก็ได้ ดังนั้นนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่แท้จริงที่พุทธศาสนานำเอามาเผยแผ่สั่งสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมนีเรื่องของจิตใจเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องของทางร่างกายเรื่องของการเจริญรู้เสื่อมทางลาบยศสรสรสสุกนี้ถือว่าเป็นเรื่องขนข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้และไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ หรืออาจจะเกิดขึ้นช้าก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจกับเรื่องผลข้างเคียงคือทางร่างกายและทางลาบยศสารเสรเิญสุขเพราะเรามีกฎอีกฎอกฎหนึง่งมาดูแลเรื่องทางร่างกายและเรื่องการเจริญของลาบยศสารเสรเิญสุขนั่นก็คือกฎของไตรลักษณ์นี่กฎไตรลักษณ์บอกว่ามีอะไรทจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมด จลเจริญราบยศสรรเสริญสุขได้มันก็ต้องมีวันเสื่อมราบเสื่อมยศสรรเสริญสุข <Either. S 2> คือมันจะต้องมีวันหมดไปมีเกิดทางร่างกายมีจลเจริญทางร่างกายก็ต้องมีความเสื่อมทางร่างกายร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายไปดันั้นมันมีกฎตายักควบคุมดูแลเรื่องของเรื่องของราบยศสรรเสริญสุขเรื่องของร่างกายอยู่แล้ว อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งตายรัก ที่ได้แสดงไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุเข้าของอะไรต่างๆนี้ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทั้งนั้นมีการเจริญแล้วต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาสั่งมาห้ามได้เ็นนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่ได้เป็นของสัตว์เป็นของบุคคลไม่มีใครเป็นคน สร้างมันขึ้นมาแล้วไม่มีใครทำลายมันมันเรื่องของธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาแล้วทำลายมันไปนี่ก็คือเรื่องของกฎตายลักถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎตายลักเราก็จะไม่กังวลกับเรื่องการเจริญทางราบยศสารเสริญสุขทางราบยศสารเสริญสุขหรือทางร่างกายเพราะเรารู้ว่ามันเป็นความเจริญที่ปลอมนั่นเองเป็นความเจริญชั่วคราวในที่สุดมันก็จะต้อง หมดสิ้นไปเมื่อร่างกายของเราตายไปลาบยศเสริญสุขที่เราได้หากันมามากน้อยมันก็หมดไปจากเราไปเราไม่สามารถเอาติดตัวอะไรไปกับเราได้นอกจากสิ่งที่เราทำภายใต้กฎแห่งกรรมอันนี้นะเป็นสิ่งที่มันจะติดไปกับเราคือใจของเราใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เมื่อตร่างกายตายไปใจของเราก็แยกออกจากร่างกายแล้วก็อยู่ไปรับผลของกฎแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นขอให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องกับใจเราล้วนๆทำดีแล้วจะเกิดความสุขใจทำบาปแล้วจะเกิดความทุกข์ใจและถ้าทำแบบกลางๆไม่ดไมีไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ก็จะไม่มีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือกฎแห่งกรรมสาเหตุที่เราทุกข์กันนี้เพราะเราทาบาปกันถ้าเราไม่ทาบาปแล้วจะไม่มีความทุกข์แล้วเหตุที่ทำให้เราทุกข์อีกการหนึ่งคือการกระทำบาปที่ละเอียดที่เราเรียกว่าเป็นการกระทำทางใจล้วนๆก็คือการกระทำด้วยกิเลส การกระทำด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเราทุกข์กันทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรนี่ใจเราเริ่มทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีพออยากได้อะไรใจจะเริ่มรู้สึกกวลกวายเอ๊ะจะได้หรือไม่อยากจะสอบให้ผ่านอยากจะเรียนแพทย์เวลาสอบก็กวลกวายใจจะสอบได้หรือไม่แต่ถ้าไม่มีความอยากเป็นแพทย์ จะสอบผ่านไม่ผ่านมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะไม่ทุกข์อันนี้คือเรื่องของสาเหตุที่ทําให้ใจของเราทุกข์กันนี้มีอยู่สองสาเหตุด้วยกันสาเหตุหนึ่งก็คือการกระทําบาปทางกายทางวาจาทางใจคิดจะทําบาปก่อนคิดว่าจะไปฆ่าก่อน เมื่อฆ่าแล้วเมื่อคิดแล้วก็ไปสั่งการให้ร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปฆ่าใช้เครื่องมืออย่างอื่นประกอบไปด้วยอาจจะไปใช้มีดใช้ปืนใช้ยาพิษหรือใช้อะไรต่างๆที่ทำให้ชีวิตต้องสิ้นสุดลงอันนี้เป็นเครื่องมือผู้ที่กระทาจริงๆนี้คือใจใจเป็นผู้สั่งการใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกาย ฟันแทงยิงปืนอะไรต่างๆนี้ใจเป็นผู้กระทําำล้วนๆร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจนี้ก็เป็นเหมือนกับปืนที่ไม่มีคนใช้นะปืนที่ไม่มีคนใช้นี่มันไม่มีอันตรายมันไม่ไ ม, มไม่มีพิษมีภัยกับใครนะปืนวางไว้ตรงนั้นแลถ้าไม่มีใครไปจับไปใช้มันนี้มันไม่ไปทําร้ายใครไดนะ้แต่ถ้ามีใครไปหยิบมันขึ้นมาแล้วไปยิงคนนั้นคนนี้อันนั้นแหละมันถึงจะเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมา ดังปืนในปืนมันเป็นเพียงเครื่องมือมันไม่มีพิษมีภัยร่างกายมันก็เป็นเพียงเครื่องมือมันไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่ถ้ามันมีใจที่เอามาใช้ไปในทางที่ไม่เทาะไม่ถูกเอามาใช้ในทางทำบาปมันก็กลายเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาทันทีเป็นฆาตกรขึ้นมาขึ้นมาทันทีแต่ใจแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลของการกระทําบาปของใจ ร่างกายก็รับผลตามสภาพของกฎของตายรักคือมันวันหนึ่งมันก็ต้องตายจะตายด้วยการถูกลงโทษก็ดีหรือตายด้วยการโรคภัยไข้เจ็บก็ดีหรือตายตามวัยของมันก็ดีอันนี้มันในที่สุดมันก็ต้องตายของมันไปเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของกฎของตายรักแต่ใจนี่แหละที่ จะทุกหรือไม่ทุกนี้อยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือการกระทาบาปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทุกคนถ้าไม่อยากจะทุกข์จากการทำบาปก็อย่าทำบาปลนะการกระทาบาปทั้งปวงและถ้าอยากจะให้ใจเรามีความสุขจากการกระทำทางกายทางวาจาก็ให้สร้างบุญทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมเช<ม>่นเมื่อสองวันก่อน<ม>เป็นวันแม่ เราก็ทําความทําบุญด้วยการแสดงความกตัญญูกตวเวทีกับบิดามารดาของเราเข้ากับเข้าไปกราบไหว้เข้าไปดูแลเข้าไปรับใช้บิดามารดาเอาความสุขไปให้กับบิดามารดาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่บาตรเพียงอย่างเดียวไม่จําเป็นว่าจะต้องทอดกรถินหรือทอดผ้าป่าถึงจะได้บุญ การทำบุญนี้ทำกับบุคคลอื่นๆได้ทำบุญกับบิดามารดาได้ทำบุญกับญาติสด็จมิตรสหายได้ทำกับบุตรธิดาได้ได้บุญทั้งนั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลหลากหลายวิธีด้วยกันเวลาเราได้เราได้ทำบุญแล้วใจเราจะมีความสุขแล้วเราไม่หวังอะไรตอบแทนด้วยนะการทำบุญที่แท้จริงนี้เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากผู้ที่รับ อยากเราไปไม่ได้หวังให้เขาต้องมาขอบอกขอบใจเราไม่ได้หวังว่าให้เขาจะต้องดีกับเราเราเพียงแต่ทำเพราะเราอยากจะทำบุญอยากจะทำให้ใจเรามีความสุขยิ่งถ้าเราทำกับคนที่เขาเกลียดเราได้ยิ่งดีถ้าเราถ้าเราชนะความเกลียดในตัวเราได้เมื่อเขาเกลียดเราเราไม่เราชนะความเกลียดแล้วเราทำบุญกับเขาได้นี่เราจะยิ่งรู้สึกว่ามีความสุขมาก มากกว่าเราทําบุญกับคนที่เรารักทําบุญกับคนรักที่เรารักมันง่ายความสุขที่ได้มันจึงน้อยกว่าทําบุญกับคนที่เราไม่รักทําบุญกับคนที่เราเกลียดได้มันกลับทําให้เรามีความสุขมากกว่าที่เราสามารถเอาชนะความเกลียดชังที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราได้นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายของเราคือ การทำบาปอย่าทำเช่นอย่าฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดป่นอย่าดื่มสุราอย่าเมาการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจตา ม, มา้าแล้วถ้าเราอยากจะให้มีความสุขใจเราก็ทำความดีชนิดต่างๆช่วยเหลือผู้นั้นผู้นี้ให้เขา มีความสุขให้เขาหลุดออกจากความทุกข์ความยากเดือดร้อนต่างๆทำบุญกับใครก็ได้ทำบุญกับวัดก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ทำบุญกับองค์กรสาธารนณะประโยชน์ต่างๆก็ได้เพราะองค์กรเหล่านี้ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมเมื่อเรารู้ว่าเราได้ช่วยสังคมให้อยู่ดีเป็นสุขมากขึ้นมันก็จะทาให้เรามีความสุข กิดขึ้นมาภายในใจเรา น, นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทุกๆองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสู้จะนำมาเผยแผ่สั่งสอนคือสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ทําบุญถ้าอยากจะกําจัดความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจก็อย่าไปทาบาปแล้วถ้าอยากจะให้ความทุกนี้หมดสิ้นไปยัง ถาวรก็ต้องมากําจัดการกระทําที่ละเอียดที่มีอยู่ในใจการกระทําที่มีอยู่ในใจที่ละเอียดนี้เรียกว่าการชําระจิตใจเราต้องชําระสิ่งที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราใจของเราถึงแม้จะไม่ได้ไปทําบาปแต่ใจของเราก็ยังเกิดความทุกข์ได้และสิ่งที่ทาให้เกิดความทุกข์ในใจนี้เราเรียกว่ากิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมองทั้งหลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาซึ่งการที่จะชำระใจของเราได้นี้เราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือถ้า ต, ตอนนี้เราเพียงแต่เรียนรู้เฉยๆเราจะไปหยุดความโลภความโกรธความนงความอยากนี้หยุดมันไม่ได้หรอกมันมันมีกำลังมากกว่าเราการที่เราจะหยุดมันได้นี้เราต้องมีเครื่องมือใช้เครื่องมือมาหยุดมัน เหมือนกับเวลาที่รถยางแตกนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนยางโดยไม่มีเครื่องมือนี่เราเปลี่ยนยางไม่ได้แต่ถ้าเรามีเครื่องมือนี่เราสามารถเปลี่ยนยางได้อย่างง่ายดาย้เครื่องมือก็มีแค่ชิ้นสองชิ้นนั่นเองแม่แรงตัวหนึ่งเพืออ่อยกล้อให้ลอยขึ้นแล้วที่ขันน็อตที่คลายน็อตออกมาแล้วถ้าเรามีเครื่องมือสองอันนี้เราก็สามารถยกลอ้อให้ลอยขึ้นคลายน็อตออกมาเอาเอายางที่แตกออกมา แล้วเอาอยางสำมรองที่ใช้ได้ใสเข้าไปเราก็สามารถเปลี่ยนยางได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราขาดเครื่องมือแล้วเราจะทำเปลี่ยนยางด้วยมือเปล่าๆลราลนี้เป็นไปไม่ได้เราจะเอามือเราไปคลายน็อตที่ขันอยู่ไม่ได้เราจะเอามือสองมือยกให้ให้ล้อลอยขึ้นมาทาไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันการชำระจิตใจนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะมา ทำให้เหล่านี้สามารถชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มีที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้การที่เราจะชำระได้เราจึงต้องสร้างเครื่องมือเครื่องมืออันดับแรกก็คือศีลศีลก็คือต้องเป็นศีลของนักปฏิบัติธรรมของนักชำระกิเลสไม่ใช่ศีลของผู้คลองเลินธรรมดาศีลห น, นี้เป็นศีลไว้สาหรับป้องกันการกระทำบาปทั่วไป แต่บาปที่ละเอียดกว่านี้สินห้าไม่สามารถที่จะป้องกันได้สิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ก็คือศินแปดสินแปดนี้จะเป็นเหมือนกำแพงหรือเป็นรั้วกั้นไม่ให้กิเลส ต, ตัณหาเด็ดลอดออกไปจากใจให้ไปสู่ทางร่างกายและทางวาจาถ้าเราถือศินแปดนี้กิเลสจะไม่สามารถ ออกไปทางกายได้คือทางตาหูจมูกลิ้นกายได้กิเลสจะไม่สามารถดึงตาเราให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะได้นั่นเองเมื่อเราไ ม, ไม่สามารถไปได้เราก็จะได้ไม่เสียเวลากับการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะได้มีเวลาที่จะมาสร้างเครื่องมือชิ้นต่อไปคือสติและสมาธิสติสมาธินี้เป็นของคู่กัน สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าจะนั่งสมาธิโดยไม่มีสตินนั่งไม่ได้นั่งไปจนบันตายจิตก็จะไม่สงบเพราะนั่งไปแล้วจิตก็จะฟุ้งจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปดังั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องฝึกสติก่อนต้องเจริญสติต้องคอยควบคุมความคิดของเราความคิดตรงงต่งต่างๆให้มันหยุดคิด ความจริงเราไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดอะไรมากมายเลยในยแต่ละวันแต่เราก็อดที่จะคิดถึงคนนั้นไม่ได้อดอดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนั้นไม่ได้เห็นสิ่งนั้นก็คิดเห็นเห็นเรื่องนี้ก็คิดจะยินสิ่งนั้นก็คิดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ผละไรจากการคิดส่วนใหญ่ก็จะได้ความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลความเครียดต่างๆอันนี้แหละตัวที่มาสร้างความทุกข์ คือความคิดให้คิดไปตามความโลภความโกรธความหลงนี่ความโลภความโกรธความหลงนี้มันทํางานของมันเองไม่ได้มันก็ต้องมีเครื่องมือเหมือนกันเครื่องมือที่ความโลภความโกรธความหลงมันจะใช้ก็คือความคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดไปทางความโลภใจเราก็สั่นละใจเราก็กวนกระวายกระสับกระสายถ้าเราคิดไปทางความโกรธใจเราก็ยิ่งร้อนใหญ่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาทันที เราคิดไปถึงไปตามความหลงก็วิตกกังวลห่วงใยหวาดกลัวกับเรื่องราวต่างๆเพราะความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราแล้วพอมันคิดอย่างนี้เราก็อยากจะให้อะไรที่เป็นของเรามันไม่ไม่สูญเสียไม่จากเราไปแต่เราก็รู้อยู่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้วันใดวันใ ด, วน ด, วนดเวลาใดคืนใดคืนหนึ่งสิ่งที่เรารักเราชอบอาจจะจากเราไปก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ พอเราคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้มันก็ทำให้เราเครียดขึ้นมาทำให้เราทุกข์กันขึ้นมานฉะนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องมาหยุดความคิดเรล่อนี้ให้ได้ก่อนเ <Yeah. S 1> พราะถ้าเราปล่อยให้มันคิดแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะสอนใจให้คิดไปตามหลักของกฎของไตรลักษณ์ได้ตามหลักของกฎแห่งกรรมได้ฉ <Yeah. S 1> นั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือฝึกสติคอย ห, หยุดความคิดอย่าคิดคิดเท่าที่จาเป็น ถ้าไม่มีความเจ็บเป็นอยากคิดวิธีที่จะหยุดความคิดก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่ในวงปฏิบัติในปัจจุบันนี้เรามักจะใช้กันอยู่สองสามวิธีด้วยกันวิธีแรกที่ง่ายที่สุดก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วอการสวดมนต์ก็ได้ให้เราเวลาเราจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเราอยากจะหยุดมันก็บริกรรมพุทโธแบบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ แต่ก่อนที่เราจะมาใช้พุทโธหรือการสวดได้เราต้องซ้อมก่อนถ้าเราไม่ซ้อมถึงเวลาจะใช้มันใช้ไม่ใช้ไม่ออกเวลาจะหยุดความโกรธเรามานั่งท่องพุทโธโดยที่เราไม่เคยฝึกท่องพุทโธก่อนเราจะท่องไม่ออกจะไม่มีกำลังเนี่ยเราต้องฝึกพุทโธก่อนทั้งๆที่เรายังไม่มีเรื่องมีนาไม่มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาฝึกพุทโธกันก่อนเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย เราสามารถฝึกสติได้ไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดไม่ต้องไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติเราฝึกสติได้อยู่กับที่บ้านของเราในชีวิตประจาวันของเรานี่เราสามารถฝึกสติได้ลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธก่อนเลยอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนถ้าคิดอาจจะคิดเท่าที่จำเป็นว่าอ้วันนี้วันอะไรต้องไปทาอะไรหรือเปล่าพอรู้แล้วว่าเป็นวันนั้นวันนี้ต้องไปทานู่นทานี่ก็ไปเตรียมตัว เป็นระหว่างที่เราเตรียมตัวก็อยากคิดให้พุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดหยุดความคิดให้มันเฝ้าดูการกระทําอย่างเดียวพอพุทโธพุทโธไปถ้ามันคิดอย่างเนี้เราจะมีกําลังต่อไปที่จะหยุดความคิดได้พอเวลาเรามีเวลาว่าง มีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ใช้พุทโธเราก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้พอลืมตาขึ้นมาก็ดู ต, ตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนากำับอยู่ในท่านอนอกำลังลุกขึ้นมาก็ดูยืนก็ดูเดินก็ดูไปกับร่างกายทุกิริยาบทอย่าให้ปล่อยให้ร่างกายไปโดยไม่มีใจเฝ้าดูอยู่ส่วนใหญ่เรามักจะปล่อยให้ร่างกายเดินยืนไปแล้วก็ใจก็ไปคิดเรื่องอื่นไป อันนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสตินี้ใจกับร่างกายต้องทํางานพร้อมกันอย่างเดียวเรื่องเดียวกันร่างกายยืนใจก็ต้องดูว่าร่างกายกําลังยืนร่างกายเดินก็ต้องใจก็ต้องดูว่าร่างกายกําลังเดินไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายเดินไปแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติต้องอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนี้เราเรียกว่ากายยะกตาสติ การใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าเราใช้พุทธโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติใช้พระพุทธเจ้าใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสตินี่คือการฝึกสติในชีวิตประจาวันของเราเราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติไม่ต้องไปวัดเราสามารถฝึกได้เพียงแต่ว่าอาจจะฝึกได้มากได้น้อยต่างกันทั้งน้เอง ถ้าเราไปอยู่ที่วัดหรือเราไปปีกเวกอยู่คนเดียวได้เราจะฝึกได้มากกว่าแต่ถ้าเรายังมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่เราก็ทําไปในส่วนที่เราทําได้ส่วนที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับกับสภาพไปก่อนดีกว่าไม่ทําเลยเพราะถ้าเราไม่ทําเลยถึงแม้ต่อไปเรามีเวลาว่างไปปีกเวกอยู่คนเดียวเราก็จะทาไม่ได้ถ้าเราไม่เคยซ้อมไม่เคยหัดทามาก่อน ดัง น, นพยายามหัดทำไปเรื่อยๆในชีวิตประจําวันของเราหัดเจริญสติไปเรื่อยๆคนะอยควบคุมใจอย่าให้ลอยไปในอดีตอย่าให้ลอยไปในอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งนั่งหลับตาการนั่งสมาธินี่ก็มีนั่งได้หลายท่าด้วยการ น, นั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิถ้าร่างกายไม่พร้อมที่จะนั่งในท่าแบบนี้ ก็นั่งบนเก้าอี้ก็ได้เราก็นั่งหลับตาข้อสำคัญขอให้มีสติเพราะเราต้องการหยุดความคิดทําใจให้นิ่งถ้าเราหยุดความคิดได้เป็นเวลายาวหน่อยสักห้านาทีสินาทีจิตก็จะนิ่งจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้เวลานั่งเราก็ทาถ้าเราใช้พูดโธเราก็ใช้พูโทโธต่อไปก็ได้ใช้พูดโทอย่างเดียวก็ได้ หรือเราจะใช้พุโทโธควบกับลมหายใจก็ได้เวลานั่งหลับตาเราก็ดูลมหายใจเข้าแล้วเราก็ว่าพุทหายใจออกเราก็ว่าโธก็ได้พุทเข้าโธออกอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ว, วิธีใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้เช่นบางทีถ้าเราใช้กายกัตตาสติคือเราคอยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆเราไม่ได้ใช้พุโทโธเลย พอเรามานั่งดูลมแล้วก็ดูลมอย่างเดียวต่อไปก็ได้เหมือนกัเราดูร่างกายไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ในเวลานั่งสมาธินี้ก็อาจจะทาได้สามสามวิธีด้วยกันคือดูลมอย่างเดียวพุโทโธอย่างเดียวหรือผสมกันพุทเข้าโธออกไปข้อสำคัญก็คือให้มันดูอย่างต่อเนื่องอย่าให้มันเผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดรื่องนี้หรือถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นในขณะที่เรานั่งอย่าไปสนใจ อาจจะมีแสงมีเสียงมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจมีความรู้สึกทางร่างกายว่ามันคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจรู้สึกว่าอยากจะกลืนน้ำลายก็ไม่ต้องไปกลืนอย่าไปทำอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับการดูลมการบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นเพราะถ้าเราไปสนใจเราจะเสียสมาธิเราจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ ถึงมาจิตจะเริ่มสงบแล้ว ร, รู้สึกมีความสุขมีความเย็นมีปิติขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูลมต่อมาพุโทโธต่อไปไปจนกว่าจิตมันจะนิ่งสงบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขความเย็นของใจอันนั้นก็แสดงว่าเราถึงเป้าหมายของการนั่งสมาธิแนละ้วตอนนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไร ยังไม่ต้องพิ จ, จารณาไม่ต้องไม่ต้องออกไปทางปัญญาการทำสมาธินี้ไม่ไม่เกี่ยวกับการทำปัญญาปัญญานี้เป็นอีกวาระหนึง่งอีกเวลาหนึง่งเวลาทำสมาธินี้เราต้องการให้มันสง บ, บให้มันนิ่งนานๆเพราะเป็นเหมือนกับการพักผ่อนเป็นการเติมพลังให้แก่จิตใจพลังที่ใจต้องการก็คืออุบเบกขานี่ถ้าเรามีอุบเบกขามากๆต่อไปเวลาเราออกไปเจริญทางปัญญานี้ ใจของเราจะไม่หวั่นไหวถ้าใจเราไม่มีอุเบกานี้เวลาเราต้องไม่พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความตายเรื่องอสุภานี้ใจเราจะเกิดอาการหวั่นไหวขึ้นมาเกิดอาการหดหู่เกิดอาการเบื่อหน่ายเกิดความกลัวขึ้นมาได้ก็จะไม่สามารถพิจารณาความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้ต้องอาศัยใจที่มีความ เข้มข้นมีด้วยอุเบกขาดัางั้นในขณะที่ทําสมาธิยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องของปัญญาการสมาธินี้ก็เป็นเหมือนการศึกษาวิชาหนึ่งอาจจะต้องศึกษาทั้งเทอมหรือทั้งปีเลยก็ได้เอาให้มันช่ำชองให้มันชํนานาญก่อนแล้วค่อยไปศึกษาทางปัญญา อ, อีกเทอมต่อไปหรืออีปีต่อไป เราเรียนหนังสือเราก็มีแบ่งวิชาเป็นวิชาไปใช่ไหมวิชาเทอมนี้เราเรียนวิชานี้เวลาเรียนวิชานี้เราไม่เอาวิชาอื่นมามาปนด้วยเราก็เรียนแต่วิชานี้วิชาเดียวจนกว่าเราจะเรียนจบแล้วสอบผ่านแล้วเราค่อยไปเรียนวิชาอื่นต่อไปเรื่องของสติสมาธิก็เป็นวิชาที่เราต้องเรียนให้มันชำนาญอย่าไปเรียนทางปัญญายังไม่ถึงเวลา เมื่อเราช่ำชองในเรื่องของสติเรื่องของสมาธิแล้วใจของเราเย็นมิเวเบขาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมาแล้วตอนนั้นเน่เรามาเรียนทางปัญญาได้แล้วมาเรียนกฎของไตารักษนี่เมื่อก่อนเรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะทีนี้เราต้องมาศึกษาเรื่องกฎของไตาลรักอย่างอย่างละเอียดละออกักบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นตาักทั้งหมด เป็นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือขันห้างนก็คือร่างกายของเราเราต้องพิจารณาลว่าร่างกายนี้มันเป็นตายรักอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันจะดับหรือไม่แล้วเราไปทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะเราไปอยากให้มันไม่ดับใช่ไหมเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหยมันถึงทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราเห็นด้วยกฎของตายรักว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่มีใครไปห้ามมันได้เราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่นั้นเองพวกเรามันชอบเพ้อเจ้อเพ้อฝันกันอยากเป็น นางงานจักรวาลกันอยากจะเป็นนายกกันแต่มันเป็นได้คนเดียวอ่ะใช่ไหมได้คนต้องเป็นแสนเป็นไม่ได้หรอกหรือคนอยากถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เพ้อเจ้อเหมือนกันเวลาถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งมันถูกได้กี่คนงั้นแต่คนเป็นล้านในประเทศนี้อยากจะถูกรอตอรี่รางวัลที่หนึ่งงั้นพอไม่ถูกก็เลยผิดหวังเสียใจทุกข์ใจกันขึ้นมา อันนี้ก็เื็นการเราต้องมองความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากอย่าไปฝันอย่าไปฝันมันเลยฝันในสิ่งที่มันเป็นไปได้ดีกว่าฝันก็คือว่าไม่ถูกดีกว่าแล้วจะได้ไม่เสียใจแทงงว น, นี้กูไม่ถูกแน่ๆคิดว่าทำบุญให้กับรัฐบาลไปก็แล้วกัน อ, อ, อย่างนี้เราจะไม่ทุกเวลาไม่ถูกแล้วก็เวลาถูกก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ทุกข์กอีกเวลาถูกก็ดี ก, ก็ดีไม่ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัย เราต้องมาศึกษากฎแห่งไตายและกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือมันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาตอนนี้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นสิ่งที่เรามีว่ามันจะต้องให้ความสุขกับเราต้องอยู่กับเราต้องเป็นของเราไปตลอดอันนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าถ้ามองตามความเป็นจริงมันไม่จริงหรอก มันเป็นของชั่วคราวเทานั้นมันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตาชั่วคราวที่วันหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอนิจจังทุกของอังอนัตตาเึ่นเดียกันอย่างแน่น อ, น, อนนี้ก็คือขั้นของปัญญาหลังจากที่เราได้ได้สมาธิแล้วเราก็ไปศึกษาเรื่องกฎของตายรักต่อไปกฎของตายรักเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ปล่อยวางมันให้หมดไม่ยาไปยุ่งกับมัน อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับมาอีกต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการเรียนกฎทั้งสองกฎนี้คือกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษ์ที่พระเจ้านามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราแล้วถ้าเราได้ศึกษาเข้าใจแล้วและรู้วิธีปฏิบัติกับมันแล้วเราก็นาเอาไปปฏิบัติด้วยการไปสร้างเครื่องมือ สร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาพอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถะระงับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะเรารู้ว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาความอยากอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราก็หยุดมันเสียเท่านั้นเองพอหยุดความอยากแล้วใจของเราก็หมดทุกในที่สุดนะนี่แหละคือ คำสั่งคำสอนความจริงที่เป็นอมะตะที่เป็นความจริงที่ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดนี้มันจะเป็นความจริงอย่างนี้ไปตลอดพระพุทธเจ้า JA, ทุกทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องความจริงสองอนนี้เท่านั้นนหะคือก็เรื่องของกฎแห่งกรรมและเรื่องของกฎของตายรักแล้วก็เอามาสั่งสอนพวกสรรวโลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของกฎแห่งตายรักที่ทําให้พวกเรายังต้องทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ แต่พอเราได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกฎแห่งกรรมต่อกฎของตายักแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตัสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวัอิโตทินนาเปตานัอุปกปติอิชิตังปะชิตังกุมหังคิดเมวัสนิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ ภราสุยถาสพีติโยวิวาันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวาทานเตอายุวันโอสุขัง ลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ถามตอบคําถามงนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว ถ้าหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบเพราะไม่สะดวกจะมีมีภารกิจอย่างอื่นที่ต้องทำต่อถ้าท่านไม่อยากถ้าอยากจะถามเองก็เข้ามาที่หน้าข้างหน้านี้จะมีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจได้ทางเพทาง Facebook ทาง Youtube ได้ ส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานจะเอามาอ่านถามให้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook พระอาจารย์ห้า y ้อยสี่สิบสี่พระสุชาติไลฟ์สอง y ้อยห b สิบเจ็ดยูทูบด e อวหนึ่งร้อยสาสิบสองวิทยุออนไลน์สิทธ์ครับเฮาส์ยี่สิบสามนาุติร้อยสี่สิบสี่รวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะ ถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคำถามจากคุณจรเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ว่าก่อนหน้าพระพุทธเจ้าสามณาโคดมมีพระพุทธเจ้ามาตัสสรู้แล้วสามพระองค์และในอนาคตจะมีพระสีอรยะเมตไตรามาตัสสรู้ซึ่งนายุคนั้นจะมีอายุขัยแปดพันปี ขอความเมตตาหลวงปู่ว่าเรื่องดังกล่าวดูเหมือนกับขัดกับประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับหรือการพิจารณาว่าเป็นอจินตายของนอกตัวไม่ต้องสนใจไปเลยใช่ไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเราเกินไปรู้ไว้เป็นเป็นการประดับความรู้ไปเท่านั้นก็าขอไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรมากนะประโยชน์ที่เราได้เขให้เรารู้ว่า มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้อยู่เรื่อยๆทั้งในอดีตและในอนาคตแล้วก็ไม่ใช่มีเพียงเฉพาะห้ารูปนี้เท่านั้นมีมากกว่านี้อีกแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือทุกรูปจะมาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนเรื่องกฎของตายรักเท่านั้นไม่ได้สอนเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นขอให้เรารู้แค่นี้ก็พอแเราทายรู้ว่าเจอรูปใดองค์ใดก็เหมือนกันเจอด็อกเตอร์คนนี้ด็อกเตอร์คนนั้น ความรู้ที่เขาเรียนจบมาก็รู้เหมือนกันสอนวิชาอันเดียวกันดังนั้นตอนนี้เราเจอพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าแล้วถึงแม้จะไม่ได้เจอตัวก็เจอตั ว, ต ว, ตวแทนดังนั้นเราอย่าไปรอว่าขอลอเป็นพบกับองค์หน้าดีกว่าเพราะองค์หน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่แล้วเราจะไปเจอได้หรือไม่ดงนั้นอย่าไปอย่าไปหวังเพราะมันยากยิ่งกว่าทานวซื้อวัตถุรี่ให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง เสื้อตะลิให้ถุกรางวัลที่หนึ่งนี้อาจจะง่ายกว่าการที่จะไปเกิดเจอพระสีอานในอนาคตเนไหมถ้าเจอแล้วจะไปทําอะไรถ้าเจอองค์นี้ยังทําอะไรไม่ได้แล้วไปเจอองค์หน้าจะไปทําอะไรได้เปล่ามันไม่ได้อยู่ที่เจอไม่เจอเป็นหลักอยู่ที่ว่าเจอแล้วเราสามารถที่จะเอาคําสอนของท่านมาใช้มาปฏิบัติให้ได้หรือเปล่าตอนนี้เราเจอแล้วเราเราทำได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้รีบทําเสียตอนนี้เรายังมีเวลามันไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราทุกคน ถ้ามีความอยากทำนะั้นเองไม่มีอะไรที่จะยากถ้าอยากทำแล้วทุกอย่างมันง่ายไปหมดถ้าไม่อยากทำแล้วมันยากเมดคำถามจากคุณลานทำสติกับปัญญาตัวเดียวกันไหมคะคนละตัวกันสติเป็นการหยุดความคิดต่างๆตัวหยุดเป็นเหมือนเบรกปัญญาเป็นเหมือน GPS ปัญญา GPS จะบอกทางว่าไปทางไหน ถ้าไปผิดทางเราก็ใช้สติเบรกมันหยุดเหยียบเบรกไปทางนี้ไม่ถูก GPS บอกให้ไปอีกทางหนึ่งเราก็ถอยกลับแล้วก็ไปทางที่ GPS บอก GPS คือปัญญาความรู้รู้ทางว่าทางไหนถูกทางไหนไม่ถูกส่วนสติเป็นผู้คอยยับยั้งการไปในในทิศทางที่ผิดในทิศทางของกิเลส็นทิศทางการทำบาปให้หยุดมันให้ไปในทิศทางที่ถูก คำถามจากคุณมนฤดีหนูทําอาชีพครูมีความศรัทธาในการฟังธรรมชอบการฟังธรรมอยู่เสมอปิดเทอมนี้หนูอยากจะมีโอกาสไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมละจากการงานแต่หากว่าหนูอยากชวนคุณยายซึ่งเป็นผู้มีพระคุณได้มีโอกาสฟังธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงบ้าง เนื่องด้วยท่านไม่เชื่อเรื่องการทำบาปนรกสวรรค์หนูเคยบอกเล่าเรื่องการทำบาปทางกายวาจาว่าไม่ดีท่านก็ไม่ค่อยฟังหรือคัดค้านจึงไม่พูดดีกว่าถ้านหนูชวนท่านไปด้วยเพราะอยากให้ท่านได้มีโอกาสเห็นพระศัจธรรมที่ถูกต้องจะสมควรแก่การชักชวนท่านหรือไม่เจ้าคะขอความเมตตาพระอาจารย์ให้คำแนะนําด้วยเจ้าคะ่ะก็อยู่ที่ว่าท่านอยากจะไปหรือไม่อยากท่านจะไปหรือไม่ไปก็ลองดูนะี่ ไปแล้วจะเป็นยังไงก็จะไม่รู้ไปแล้วไปขัดกันไปขวางกันหรือไปแล้วไปไปสนับสนุนกันันก็ต้องดูอีกแต่ความปรารถนาดีของเราก็ดีแต่มันก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่บางทีมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องปล่อยต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ ก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนของเรื่องนี้บังคับไปไม่ได้ชวนเชิญก็ได้ชวนแล้วเชิญแล้วถ้าเข้าไปก็ดีเขาไม่ไปก็อยากไปบังคับเขาคำถามจากคุณออนการทำสมาธิเราดึงบังคับจิตให้อยู่ที่เดียวดึงจิตให้สงบนิ่งหรือควรดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนจิตสงบรวมลงเองคะก็ราลมนี่แหละเพื่อทำให้มันสงบไปดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสงบเอง ไปบังคับมันไม่ได้ต้องใช้อุบายของสติของของการดูลมหรือการบริกรรมพุโทโธไปไปสั่งบอกให้อย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดสั่งมันไม่ได้หรอก <ừ. S 1> พอพอหยุดสั่งมันปับ๊บมันก็คิดต่อทันทีนั่นต้องใช้การดูลมด้วยการพุโทโธไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองจากคุณโอพระใหม่ ขอกราบนมัสการครับพระอาจารย์การทําบุญใส่บาตรกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ร่วงรับไปแล้วผู้ร่วงรับไปแล้วจะได้รับอนิสงส์ส่วนบุญนี้หรือไม่ครับได้แต่อยู่ที่ว่าเขารอรับหรือไม่ถ้าเขาไม่รอรับก็ไม่ได้ก็อยู่ที่ผู้รับว่าเขาต้องการบุญหรือไม่ถ้าเขามีบุญมากเขาก็ไม่มารอรับเช่นถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็ไม่มารอรับผู้ที่จะมารับรอรับก็เป็นพวกขอทาน อย่างตอนเช้าเนี่ยที่ไปบินฑบาตินี้พอบินธบาตเสร็จก็มีคนยากคนจนมารอรับของที่เหลือจากบินฑบาติคนที่มีของเยอะแยะมาใส่บาตรเขาก็ไม่มารอรับนะพวกที่มาทําบุญทําทานเขาไม่มารอรับรับทานแต่พวกที่ไม่มีเงินทําบุญทําทานไม่มีไม่มีข้าวจะกินเขาก็ต้องมารอรับทานเห็นดวงจิตของพวกเราก็แบบเดียวกันว่าเรามีบุญติดตัวไปมากน้อยเพียงไร ถ้าเรามีบุญติดตัวมากเราเป็นไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญเราก็ไม่มารอรับส่วนบุญเพราะมันเป็นเหมือนกับการแจกอาหารให้คนคนขอทานดีๆนี่พวกที่จะมารอรับก็คือขอทานทางจิตวิญญาณพวกที่ไม่ได้ทําบุญทําแต่บาปเรียกว่าพวกเบลต์พวกนี้ก็จะมารอรับส่วนบุญได้คําถามจากคุณยนวิธีการแก้กรรมการทําแทง้งต้องทําอย่างไรบ้างคะ การทำไปแล้วแก้ไม่ได้เหมือนโยนก้อนหินไปถูกกระจกแตกแล้วจะทําให้กระจกกระจกนั้นมันกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแล่ะมีวิธีการก็คืออย่าไปทําให้มันแตกอีกใบหนึ่งจากใบเดียวพอแล้วชดใช้เพียงใบเดียวอย่าไปทําให้มันแตกอีกสิใ บ, บแล้วมันต้องมาชดใช้อีกสิบใบ mm hmm. นั้นทำลายผิดไปแล้วให้เอาเป็นบทเรียนสอนตอัวเองว่าเป็นพิษเป็นภยัยทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นอย่าทําดีกว่า mm hmm. จากคุณทิติชยาจะชนะกิเลสได้ต้องทำตัวต่ำๆไว้หนูคิดถูกไหมเจ้าคะมันก็มีหลายวิธีเนี่ยการทำตัวต่ำก็จะลดกิเลสที่ถืออัตตาตัวตนได้เรื่องของความโลภ ก, ก็ต้องใช้ความมาักน้อยสันโดษเป็นเครื่องมือเวลาอยากได้อะไรมากๆก็บอกเอาแค่พอกินพออยู่ก็พอมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมัมกน้อยสันโดษ จากคุณนัตภาการทําอาชีพเช่าพระจะเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เป็นอาชีพส่วนิตอย่างหนึ่งเป็นการซื้อขายของพระนี่ก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเป็นวัตถุเราเพียงแต่เรียกว่าเป็นพระเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลควาจริงมันก็เป็นวัตถุเป็นเหมือนตุ๊กตาที่เราขายให้เด็กๆวัตถุมงคลก็เป็นเหมือนตุ๊กตาที่เราขายให้เด็กปัญญาอ่อนทางปัญญาเนี่ย คนที่ไม่รู้ว่าถุงมืงคนนี้เป็นของเด่นคิดว่เป็นของจริงก็ซื้อกันมีราคาแพงใช่ไหมใส่แล้วไม่ตายรถแต่นนเนี่ยใครห้อยพระรุ่นนี้นะเครื่องเป็นตกไม่ตายโอรุ่นนี้เลยดังเลยใช่ไหมขายดิบขายดีใหญ่เลยมันเป็นเรื่องของพอดีมันคนยังไม่ถึงเวลามันจะตายเนะี่ยจะห้อยแล้วไม่ห้อยมันก็ไม่ตายหรอกถ้ามันถึงเวลาจะตายขอให้ห้อยพระเต็มคองมันก็ตาย ไปดูเลยคนที่ตายที่ห้อยผ้าเต็มคอก็มีอยอยีแฮะไม่มีใครมาประกาศว่าผ้ารุ่นนี้ไม่ดีใช้ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไม <c oughs> แต่ถ้ามีคนที่รอดตายได้โอ้เอามาโฆษณาใหญ่เลยเป็นการตลาดของของคนขายนั้น <c oughs> ถ้าจะขายก็อย่าไปหลอกลวงคนซื้ออย่าไปหลอกว่าโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ถูกแต่ถ้าขายแบบเฉยๆถ้าก็อยากจะซื้อก็ขา ย, ขายเข้าไปแต่ถ้ามาปั่นมา มาปั่นเป็นเรื่องเป็นราวว่านู่นนี้วิเศษนะแทงไม่เข้าญิงไม่เปิหญิงไม่ออกตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าอย่างนี้มันเป็นการหลอกลวงถ้าทําแบบนี้ไม่ถูกถ้าตัวเขาเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องเสริมสตสิเครื่องเสริมปัญญาอะไรอย่างเงี้ยดีมีเราจะเราจะไเริ่ก ถ, ถ, ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เริถึงการทําความดีถ้าขายแบบนี้ดี เป็นการช่วยให้เขามีการเจริญพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติแต่ถ้าไปขายบอกโอ้ยวันนี้ป้องกันได้ทุกชนิดนี้ซื้อแล้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสโมหะอวิชชาจากคุณสุกัญญาขอถามว่าพระอรหันต์มีสติตลอดไหมคะรวมถึงเวลานอนหลับด้วยเจ้าค่ะลองเป็นดูเสร็จถึงจะรู้จริง เปิดไปไมสันทิติโกไม่ต้องไปถามใครจากคุณนายวินโรคไบโพลา่าอารมสองขั้วเกิดจากกรรมอะไรครับพุทธศาสนาสามารถช่วยได้ไหมครับหรือต้องทําตามแพทย์สั่งอย่างเดียวครับได้เกิดจากการขาดสติไงไม่มีสติควบคุมอารมณ์อารมณ์มันก็แปรปรวนไปบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายถ้ามีสติเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ ให้จิตไม่มีอารมณ์ได้ให้จิตเย็นเย็นสบายว่างๆได้ฝึกสติไปแล้วโลกโปรใบโพลารเรื่องโลกจิตทั้งหมดนี้จะหายหมดเพียง mm hmm. แต่จะทําได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองเพราะการเป็นโลกจิตก็แสดงว่ามีสติน้อยและการจะมาฝึกสติให้มีมากนี่มันก็ยากสําหรับคนที่มีสติน้อยอยู่แล้ว mm hmm. จากคุณมาร์ก ครูบาอาจารย์ที่เข้านิพพานไปแล้วหากเราอธิษฐานนึกถึงท่านท่านจะรับรู้หรือไม่ครับโอ้ท่านไม่มาสนใจกับเราแล้วล่ะท่านไปแล้วท่านไปสุกโตแล้วท่านก็สนใจในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะห่วงพวกเราเออกมาแสดงทำปวดพวกเรานะพวเราก็ไม่ปวดท่านมากด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังมากลับมากังวลว่าท่านจะคิดถึงเราหรือไม่หลังที่ตายไปแล้วยังอยากให้ท่านคิดถึงอยู่ คำถามจากคุณชัยยาถ้าพ่อแม่ทิ้งเราไปให้เราอยู่กับคนอื่นไม่มีการเลี้ยงดูส่งเสียเลยเราก็ฝืนใจยากที่จะคอยจุนเจอือควรปฏิบัติตนแบบไหนครับก็ปฏิบัติเหมือนเดิมพ่อแม่คนที่ให้กําเนิดเราก็ยังเป็นพ่อแม่เราอยู่มีพระคุณกับเราอยู่ให้ชีวิตเรามาเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูเราได้แล้วก็มีผู้อื่นมาเลี้ยงดูแทนเราก็ถือท่านว่เป็นพ่อแม่คนที่สองไปก็แล้วกัน แล้วก็มีดายพ่อแม่ได้พ่อแม่ให้กำเนิดพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราเหมือนพระพุทธเจ้าก็มีพ่อแม่มีแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็มีแม่ที่เลี้ยงดูคือน้าเป็นน้องสาวของแม่แล้วท่านก็ตอบแทนแมบุญคุณของแม่ทั้งสองคนสอนหน้ากำเนิดให้เป็นพระโสดาบันรับแม่ที่เลี้ยงดูมาเป็นภิกษุณีแล้วก็มาปฏิบัติจนบรรุเป็นพระอรหันต์ได้ ท่านก็ขอบทนบุญคุณทั้งหมดนะท่านถือว่ามีพระคุณเหมือนกันอย่าไปแยกแยะว่าคนนี้ไม่เลี้ยงเราไม่มีบุญคุณคนนี้เลี้ยงเรา ม, มีบุญคุณมีทั้งสองคนเพราะถ้าแม่ไม่คนให้กําเนิดไม่ให้กําเนิดเราจะมีเราได้ยังไงอันนี้สําคัญกว่าเสด็จทั้งไปแต่ก็คนที่เลี้ยงดูก็สําคัญเพราะถ้าเกิดมาแล้วไม่มีคนเลี้ยงดูตายไปก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นก็ถือว่ามีมีพระคุณเท่าเท่ากัน จากคุณจุตรพร์การที่เรามีน้ำใจช่วยเหลือสังคมแบบนี้เรียกว่าทําไปด้วยกิเลสอยากทําดีหร <care>. ือเปล่าคะจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไม่ได้ทำเพราะความอยากทําดีค่ะอความอยากทําความดีไม่เป็นกิเลสความอยากทําความดีเป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ทําความดีอยากทําความดีนี้ไม่เป็นกิเลสอยากทําความเชื่อเนี่ยถึงเป็นกิเลสอยากทําบาสนี่ถือว่าเป็นกิเลสแต่ทําความดีไม่เป็นกิเลสเป็นธรรม อากเข้ามามีคำถามส่งมาเลยจะอานเองไหมแม่ถ้าเราทำกรรมทำกระจกแตกแล้วเราไม่ทำกรรมใหม่แล้วกระจกที่แตกไปแล้ววงเล็บทําผิดไปแล้วเน้นเวลานานแล้วเราจะใช้ชดกรรมเราจะชดใช้กรรมนั้นอย่างไรคะเราต้องคิดแบบไหนคะเรามีวิธีหนีกรรมได้ไหมคะ เราไม่ต้องไปชดใช้หรอกเนื้อมันมาหาเราเองมันี๋ยอมันมาทวงเราเองถึงเวลามันมาทวงเราเองชาติหน้าเราไปเกิดในท้องใครเขาก็เกิดทำเราแท้งก็ได้เราไม่ได้เกิดเขาถือว่าเป็นการใช้กรรมไปทำอย่างใดก็มักจะได้อย่างนั้นกลับมาทำเขาแท้งต่อไปเราก็ถูกเขาทำให้เราแท้ง จากคุณตุติยูหนูอยากไปปฏิบัติธรรมคนเดียวแต่คนรอบข้างอยากตามมาด้วยเลยแนะนําให้มาคนละรอบแต่กวนใจตัวเองไม่สงบแต่เขาไม่เข้าใจทําให้ทะเลาะกันบอกว่าเราไม่เมตตาเราควรวางใจอย่างไรดีคะก็เฉยๆไปเลยเขาไม่เข้าใจแล้วก็ค่มทำพั้งเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจเขาจะโกรธก็ให้อภัยเข้าไป จากคุณมากหากเราตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อหมดอายุไขาจากการเป็นเทวดาส่วนใหญ่จะต้องไปอบายภูมิเพื่อชดใช้กรรมต่อไปใช่ไหมครับยังเนาะก็มาเป็นมนุษย์ก่อนจะมาทําบุญทําบาปใหม่ก่อนแล้วถ้าเวลาตายไปบาปมากกว่า บ, บุญก็ลงไปอบายต่อแต่ถ้าบุญยังมากกว่า บ, บาปอยูก่ก็กลับขึ้นสวรรค์มางั้นเราสามารถนิอบายได้ถ้าเราทําบุญให้มากกว่า บ, บาปตายไปเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดา จากคุณครีโอพัตราไม่กล้าทําอาหารชนิดหอยทุกชนิดหรือสัตว์เป็นอื่นๆจึงโกหกญาติว่ามันไม่สดเขาเลยบอกให้ทิ้งจะบาปไหมคะก็ทำบาปที่มันน้อยกว่าทำบาปหนักทําบาปเบาดีกว่าทำบาปหนักโกหกนี้มันเบาก า, การไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่โกหกเลยจะดีกว่าว่าฉันไม่ฆ่าฉันไม่ทํำทุกอย่างเธอบังคับฉันไม่ได้อย่างนี้ฉันไม่ทำทุกอย่างก็บอกเข้าไปนั่นเองจะดีกว่า จะได้ไม่จะได้ไม่ต้องทำบาปแบบเบาด้วยแบบหนักด้วยก็ไม่ทำหมดแล้วเครัอได้เชิญอ่ะเชิญคือผมเป็นคนสอนพวกสอนความคิดนะครับสอนคณิตศาสตร์อะไรเนี้ยคือบาอาจารย์ที่สอนเด็กให้คิดแต่พอ ม, ม, ม, า ม, มาฟังทางธรรมะเนี่ยปรากฏว่าให้ ควบกลุ่มการคิดอะไรแบบนี้ครับหรือว่าคือเราละลายกันคนละวาระเร า, เราจะหวังตัวยังไงถ้าเ้าเรียนก็ให้เขาคิดในทางที่ถูกได้<ฆ>คิดทางวิชาวความรู้ได้ไม่เสียหายเเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้เป็นเครื่องมือทรมาหากินแต่ถ้าเขาอยากจะฝึกจิตเขาก็ต้องหาช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องเรียนอย่างอื่นมาฝึก แล้วเราในฐานะที่เป็นครูผู้สอนให้เด็กคิดแบบเนี้ยครับเราจะวางตัวยังไงใช่ิดตามวิชาที่เราสอนเนี่ยโอเคให้ตามที่เราสอนให้เขาคิดทางคณิคิดทางตรรกะเนี่ยที่ทางหลักตามความจริงทางหลักวิชาการใช่แคสอนเข้าไปแต่ถ้าเราจะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมหรือว่าธรรัณฑนาไปด้วยเนี่ยทำไงครับวิชาการรู้ที่เราเรียนรู้นี้อย่าไปใช้เป็นทางที่ทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน เอาไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับสังคมให้เขามีจิตสำนึกบ้างแบบนี้เราไม่บาปใช่ไหมครับไม่บาปไม่บาปเป็นวิชาความรู้ทางโลกซ <c oughs> ึ้งนั้นก็ไปเรียนวิศวะมาเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นวิชาบาปกรรมตรงไหนแต่ว่ามันไม่เป็นวิชาที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โ <c oughs> อเคขอบคุณครับหมนแล้วต่อแลแต่คุณครับ คุณอัอโนอตกราบของอุบายในการเจริญสติสมาธิปัญญาต้องมีพลั ก, กาลังในการปฏิบัติให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้ครับก็อุบายที่ดีที่สุดก็คือทําอย่างต่อเ น, นื่องทำมากๆทาน้อยมันก็ได้น้อยทํามากก็ได้มากงั้นเจริญสติทั้งวันให้ได้นั่งสมาธิให้มาก จนกว่าเราจะได้สมาธิชำนาญทางสมาธิแล้วเราก็ไปพิจารณาทางปัญญาให้มากต่อไปทำให้มากจากคุณพงพันขณะทาสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสมาธิของเราได้รอบเพียงพอที่จะยกขึ้นมาพิจารณาทำแล้วก็ลองพิจารณาดูเลยแต่ต้องรองออกจากสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาสมาธิกำลังของมันก็จะทาให้เราพิจารณาได้นานหรือไม่นาน ได้เห็นได้พิจารณาเรื่องไหนได้เรื่องไหนยังพิจารณาไม่ได้มันจะมันก็จะรู้ในตัวของเราเองอะอย่างเงีหมดแล้วเลย อ, อการปฏิบัติไปมันก็เป็นเหมือนการทดลองไปในตัวด้วยอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ได้เท่าไหร่ทำอย่างนั้นได้เท่าไหร่มันก็ต้องเป็นการทดลองไปเรื่อยๆอ ถ้าไม่ท่านไม่เข้าใจก็ไปถามผู้ที่ได้ผ่านมาแล้วก็ได้หาว่าจาที่บาให้ฟังให้ละเอียดขึ้นมีใครอยากจะถามอะไรไหมวพนตอนนี้ทางบ้านก็ไม่ได้ส่งคําถามเข้ามาแล้วถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิพจารณาไปปฏิบัติ